บทส่งท้ายอําลาคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวผมเขียนคอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวลงในนิตยสารบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่2418มาจนถึงฉบับที่2575รวมเวลาได้ประมาณสามปีก็ส่งความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกคือได้ใช้เป็นเวทีไขข้อสงสัย เกี่ยวกับกรรมวิบากและทางพ้นทุกข์ให้กับคนร่วมยุคโดยใช้ภาษาและวิธีอธิบายง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราและวันนี้ก็น่าจะถึงเวลาอัมลาคอลัมน์เตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัวเสียทีครับเพราะควรแก่การเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปในทางอื่นสําหรับนิตยาสารบางกอกผมจะเขียนคอลัมน์ใหม่คือทีเล่นทีจริงต่อไปในสัปดาห์หน้าส่วนหนังสือรวมเล่มเตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัว ก็จะมีเล่ม12เป็นเล่มสุดท้ายและขยับขยายเป็นหัวเรื่องอื่นกันใหม่ถ้าสิ่งที่พุทธศาสนาบอกเป็นความจริงก็แปลว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่มีใครปลอดภัยเลยสักคนแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าทำบุญมาตลอดชีวิตที่กล่าวเช่นนี้เพราะสาระของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรคือความไม่แน่นอนไม่มีใครเที่ยงที่จะทาบุญกันท่าเดียว ในวังวนเวียนไหวาตายเกิดนั้นฝึกให้เชี่ยวชาญการบุญกันไม่ได้จะทำบุญหรือทำบาปแต่ละครั้งก็เพราะมีเหตุบันดาลใจเป็นคราวๆไปแม้ในพบที่มีโอกาสดีที่สุดอย่างขณะเกิดเป็นมนุษย์เช่นเราๆนี้ธรรมชาติก็แกล้งให้ลืมหมดว่าเคยทำอะไรมาเคยเป็นอะไรมาเราถูกหลอกให้นึกว่าทนทนไปเถอะทาทาไปเถอะตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น เราจะนอนพักยาวในลงศพแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีทั้งที่จริงแล้วตายเมื่อไหร่รับกรรมเมื่อ น, นั้นเราจะเดินทางอย่างยาวไกลช่วนิรันดร์ตราบเท่าที่ยังไม่รู้วิธีหยุดด้วยความทึบตันไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีกับทั้งยิ่งไม่รู้ว่าวิธีหยุดเวียนว่ายตายเกิดทำอย่างไรเราเราท่านท่านจึงได้แต่พากันเอาชีวิตให้รอดไปวันๆอยากทาอะไรก็ทา อยากได้อะไรก็พยายามเอามาครองไม่มีการวางแผนสำหรับทางไกลเบื้องหน้าไม่มีการหาวิธีย่อทางให้สั้นลงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีการฝันถึงปลายทางเพื่อยุติความระหกระเหินกันเสียทีพวกเราพากันหลงไม่รู้ตกอยู่ในห้วงฝันว่าตัวเองเป็นใครคนหนึ่งมีความเป็นอย่างหนึ่งเกิดผลเดียวตายหลเดียวหรือเมื่อเริ่มเชื่อว่า ตนต้องเกิดต้องตายอิกตามบุญตามบาปก็พากันประมาทอยู่นึกว่าทำสังฆทานที่วัดสองสาทีคงได้ขึ้นสวรรค์เสพสุขไปจนสิ้นกาลปรวสาสนคุณจะนึกว่าตัวเองเป็นใครก็ตามทีตัวที่คุณนึกนั้นคืออุปาทานแล้วอุปาทานเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการสั่งสมนิสัยทางความคิดทางคาพูดและทางการกระทาไม่ว่าคุณจะคิด พูดทำอย่างไรรวมแล้วต้องได้ผลลัพธ์อย่างสอดคล้องเสมอกล่าวคือคุณจะมีกายขึ้นมากายหนึ่งมีเพศขึ้นมาเพศหนึ่งมีฐานะขึ้นมาฐานะหนึ่งมีสติปัญญาความคิดอ่านขึ้นมาระดับหนึ่งจะหยาบหรือประณีตจะได้ดีหรือตกยากล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติของกรรมวิบากตัดสินให้ได้รับทั้งสิ้นเมื่อเริ่มเป็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยกรรมเก่า คุณจะหลงติดความเป็นอย่างนั้นทันทีและสําคัญมั่นหมายว่านั่นใช่คุณนั่นคือตัวคุณแน่ๆเสร็จแล้วความเป็นตัวคุณจะหลอกให้คิดไปสารพัดพยายามพูดและพยายามทำไปสารพัดทั้งหมดก็เพื่อเอาเข้าตัวแทบทั้งสิน้นอุปาทานเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนั่นเพราะการสั่งสมนิสัยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆมันขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเจอครูแบบไหนครบมิตรเช่นไรและสำคัญที่สุดคือตัดสินใจเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางใดมาสารวจกันดีกว่าว่าคุณมีอุปาทานมาถึงไหนแล้วอุปาทานนั้นกำลังพาคุณไปสู่ที่มืดหรือที่สว่างให้ถามตัวเองง่ายๆและตอบตัวเองซื่อๆว่าคุณมีความพอใจหรือไม่พอใจตัวเอง ไม่ว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจในตนเองขอให้รู้ว่ามีกรรมของตนเองนั่นแหละเป็นเหตุฉะนั้นหากไม่พอใจตนเองก็อย่าโทษใครให้เร่งสำรวจว่ากรรมใดประกอบด้วยโลภะโทสะหรือความหลงเข้าข้างตัวเองเอาแต่ได้เข้าตนหรือสำคัญผิดในตนอย่างแรงกล้าแม้กระทั่งกรรมทางความคิดอ่านก็อย่าตกสารวจ เพราะวิธีที่คุณหมกมุ่นคลุค้นคิดอยู่เสมอเสมอนั่นแหละคือตัวบีบคั้นให้ตกอยู่ในโลกแคบหรือโลกกว้างด้านสว่างหรือด้านมืดโลกที่คุณกำลังเผชิญล้วนถูกตกแต่งด้วยกรรมอย่างไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรรมเฉพาะตนบ้างเป็นกรรมของตระกูลบ้างเป็นกรรมของประชาชนในประเทศบ้างเป็นกรรมของพลลโลกบ้างหากกรรมของพลลโลกโดยรวม หนักไปทางโลกโมโทสันโลกย่อมร้อนระอุหากกรรมของประชาชนในประเทศโดยรวมมีความเสียสละและรักษาศีลประเทศนั้นย่อมอยู่สงบผาสุขกว่าประเทศที่ขาดศีลธรรมหากกรรมของตระกูลโดยรวมเป็นไปในทางดีตระกูลนั้นย่อมมั่งคั่งอยู่เย็นเป็นสุขและหากกรรมเฉพาะตนของคุณหนักไปในทางสว่าง ตัวคุณย่อมพ้นจากกรอบจำกัดด้านมืดของตระกูลของประเทศและของโลกได้โดยทางใดาทางหนึ่งเสมออาจด้วยความช่วยเหลืออันลึกลับของกรรมเก่าหรืออาจด้วยกรรมใหม่ช่วยตนเองเห็นอยู่ชัดๆกรรมเก่าแก้ไม่ได้แล้วแต่กรรมใหม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกก็น่าเห็นใจกันและกันครับโดยทั่วไปถ้าโลกร้อนประเทศร้ายหรือตระกูลแรแ้นแค้น คุณจะถูกผลักไสออกจากทางดีเข้าสู่ทางมืดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแม้เตรียมกายเตรียมใจให้แข็งแกร่งขนาดไหนบางคาบบางเวลาก็อาจโอนอ่อนผ่อนตามพลังบาปที่บีบคั้นจากทุกด้านเข้าจนได้เพราะไม่อาจเลือกอยู่คนเดียวคุณจึงต้องถูกกระทบกระทั่งร่ำไปและเพราะต้องถูกกระทบกระทั่งร่ำไปคุณจะมีความไม่แน่นอนอาจกลับดีเป็นร้ายอาจกลับร้ายเป็นดี ขึ้นอยู่กับว่าศรัท ธ, ธากุศลผลบุญแค่ไหนและขึ้นอยู่กับว่ามีกำลังใจอดกลั้นเพียงใดด้วยเมื่อทำเรื่องร้ายย่อมเป็นทุกข์และทุกข์ก็ไม่ได้มีอยู่แค่ที่ประสบกันในพบมนุษย์อย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานมีจริงคุณเห็นด้วยตาเปล่าแต่ที่ไม่รู้คือคุณก็มีสิทธิ์ไปสู่ความเป็นเช่นนั้นได้ด้วยบาปเช่นกัน และสัตว์นรกกับเหล่าเปรตมีจริงคุณไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าแถมไม่มีทางรู้ว่าบาปที่คุณก่อแล้วอันใดอาจนำไปสู่ความเป็นเช่นนั้นบ้างเมื่อสังสารวัติเต็มไปด้วยเรื่องร้ายและพยันตรายาใหญ่หลวงพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญการติดอยู่กับภพบใดภพหนึ่งซึ่งมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นด้วยเหตุแล้วย่อมเสื่อมไปสู่ความเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดา พระองค์เร่งรัดให้พวกเราออกจากสังสารวัตเสียโดยก้าวแรกเริ่มจากการพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในธรรมชาติของภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดด้วยกรรมและภาวะยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเพราะเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งสิ้นการทำลายอุปาทานเป็นเรื่องประเสริฐ การหลุดพ้นมีรถอันเยี่ยมจากจิตรออยู่พระพุทธเจ้าและเหล่าอารหันตสาวกต่างรู้แล้วว่าความสว่างโพ่งไม่ดับไม่สิ้นเป็นเช่นไรที่เหลือก็สุดแต่ใครในบรรดาหมู่เราจะรู้ทางที่พวกท่านช่วยกันชี้นำชักจูงและรู้ได้ทันก่อนตายหรือไม่ คุณคุณถามให้ผมตอบเรื่องกรรมวิบากมามากแล้วที่ตรงท้ายปลายทางนี้ผมขอนำคำถามชวนคุณดูให้รู้ตัวดังที่กําลังเป็นเมื่อเห็นแล้วอาจคลายอุปาทานลงขอให้ค่อยๆฟังค่อยๆ ค, ค, ค, คิดตามและค่อยๆตอบคำถามเหล่านี้ตามลำดับถึงที่สุดคุณควรจะเกิดประสบการณ์เห็นกายใจเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาชั่วขณะ หากเกิดอู้ประสบการณ์ว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวตนได้แปลว่า40คำถามต่อไปนี้ใช้ได้สำหรับคุณขอให้ฟังทบทวนทีละข้อตามลำดับบ่อยเท่าที่ต้องการแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ฟังทวน 1. หลังของคุณกำลังตรงหรืองอ 2. ใครเป็นคนกำหนดให้กายตั้งอยู่ในท่านี้ 3. กายที่กำลังตั้งอยู่ในท่านี้เดี๋ยวนี้ต้องการลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหยุดลมหายใจ 4. ร่างกายคุณต้องการลมหยุดนานแค่ไหนห้าคุณลากลมเข้ายาวๆสบายๆหรือรีบเร่งจะจนห้วนสั้นหกคุณหายใจตามความอยาก หรือร่างกายหายใจตามความต้องการของมันเอง 7. ลมหายใจเข้าลากยาวนานกว่าลมหายใจออกถึงสองเท่าตัวไหม 8. ความรู้สึกเป็นเจ้าของลมหายใจเกิดขึ้นตอนลมเข้าหรือลมออก 9. าขณะนี้คุณมีอาการใส่ใจลมมากหรือน้อยกว่าเมื่อครู่ก่อนเริ่มฟังข้อแรกส0บ ใครเป็นเจ้าของอาการใส่ใจที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ 11. ระหว่างลมเข้ากับลมออกอย่างไหนทำให้คุณสบายหรืออึดอัดกว่ากัน 12. กายหรือใจกันแน่ที่เป็นตัวกำหนดระดับความสบายหรืออึดอัด 13. ในความรู้สึกสบายหรืออึดอัดขณะนี้มีความผ่อนคลายหรือกมเกรงตรงไหนบ้าง 14. เมื่อรู้สึกถึงความเกรงส่วนใดความเกรงส่วนนั้นคลายลงหรือคงอยู่ต่อ 15. ในความข่อนคลายสบายทั่วกายมีความพอใจในสภาพเช่นนั้นนานเพียงใด 16. ชั่วระยะเวลาที่ยังพอใจคุณเห็นความสบายที่ใจไหม 17. เมื่อดูความสบายใจคุณเห็นรูปลักษณะหรือว่างจากรูปลักษณะ 18. ที่ปลายทางของความผ่อนกายสบายใจกลายเป็นความชื้นเฉยหรือค่อยค่อยอึดอัดขึ้นมา 19. ความเฉยหรือความอึดอัดนั้นเกิดขึ้นที่กายหรือที่ใจก่อนกัน 20. ขณะที่เฉยหรืออึดอัดกลางอกของคุณทึบตันหรือปโปร่งโล่ง 21. ถึงขณะนี้ระหว่างลมออกกับลมหยุดอย่างไหนทำให้กายและใจของคุณสงบระงับมากกว่ากัน 22. แต่ละครั้งที่ลมหายใจระ ง, งับไปชั่วขณะในหัวของคุณเกิดความว่างหรือคลื่นความฟุ้งสั้นจังางย่มมีความแน่นอนไหมว่าระ ง, งับลมหายใจครั้งไหนจะว่างหรือจะฟุง้ง 24. จิต ท, ที่ว่างจากความคิดกับจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านอ่อนๆนั้นเป็นจิตเดียวกันหรือคนละจิต 25. จิต ท, ที่ฟุ้งซ่านพาไปหาความมีสติหรือความเหม่อ 26. แต่ละครั้งความเหม่อเอาเวลาของคุณไปนานเพียงใดวัดเป็นช่วงการหายใจคุณเหม่อแบบไม่รู้ทั้งเฮือบหรือว่ารู้เฉพาะลมเข้าไม่รู้ลมออกไม่รู้ลมหยุดหรือว่าไม่รู้เลยไปหลายลมหายใจ 27. จิตที่เหม่อลอยพาไปสู่กายที่มีพละกำลังหรือเฉื่อยชาลง 28. คุณเริ่มเห็นไหมว่าจิตกับกายมีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน 29. ขาขณะนี้คุณเห็นชัดเจนไหมว่ากายกับจิตเป็นภาวะธรรมชาติที่เป็นต่างหากจากกันส0สในความเป็นต่างหากจากกันคุณเห็นไหมว่า คุณบังคับบัญชากายหรือจิตได้มากกว่ากัน31ขณะ น, นี้คุณมีความสนใจเนื้อหาจากเสียงอ่านนี้หรือใส่ใจภาวะที่เกิดขึ้นกับกายและจิตมากกว่ากัน 32. อาการใส่ใจเกิดขึ้นในหัวหรือในอก 33. ความใส่ใจในแต่ละข้อที่ผ่านมาเท่ากันหรือมากน้อยกว่ากัน 34. ในความไม่คงเส้นคงวาของความตั้งใจอันไหนที่เป็นตัวคุณระหว่างสนใจมากกับสนใจน้อย 35. ขณะนี้คุณรู้สึกถึงน้ำหนักตัวของคุณ หรือรู้สึกถึงความเบาโล่งว่างวายเหมือนไม่มีอะไร 36. น้ำหนักตัวอยู่ที่กายหรือจิตความว่างโล่งอยู่ที่จิตหรือกาย 37. ระหว่างการมีน้ำหนักกายกับการว่างโล่งไม่มีอะไรในใจอย่างไหนหน่าพอใจกว่ากัน 38. ว่างไม่มีคำถามไม่มีข้อสังเกต สามสิบเก้าในความพอที่ใจใจนิ่งสงัดลงตัวคุณจะไปอาศัยอยู่ตรงไหนที่ความไม่เที่ยงของกายหรือที่ความไม่เที่ยงของสุขทุกหรือที่ความไม่เที่ยงของจิตหรือที่ความไม่เที่ยงของเจตนานึกคิดสี่สิบ เคยมีตัวคุณเกิดมาแน่หรือดังตรินสิงหาคมพุทธศักราช2550 บทความจากนิตยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสอนรีโซพาติดตามงานของคุณดังตรินทั้งหมดอ่านหนังสือและดาวนโหลดเสียงอ่านทั้งหมดฟรีได้ที่ดังตรินคอมดูนจ สามารถนำงานทั้งหมดไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นอ่านและดาวนโหลดเสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวย้อนหลังได้ที่ www. d, d u n g r i n c o m a m a g d u n g r i n c o m m a g แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ากับคอลัมน์ใหม่นะครับเจริญในธรรมสวัสดีครับ ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูยไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวแต่ในความจริงที่แปล จได้จยจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่าให้ลองดูเรืออ่องกันคือการประทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรือไรอาจลึดหลักนตะมันอง ส่งผลของกันคิดทำอะไรทำดีหรือร้ายคนคือกันแม่ดวงและดาวจะไม่พราแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยทำดี พให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปเธอจึง ท, ท, ทำดี oh oh oh oh.